แนะนำบทอัลฟัดบทอัลฟัดเป็นบทมักกิยามีสามสิบองค์การซึ่งกล่าวถึงเรื่องสําคัญ3มเรื่องเลยกันคือ 1. เรื่องราวต่างๆของประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อาศาสนทูตสองอัลลอฮ์เช่นอาร ส, สมูดและกลุ่มชนของฟุร์ อ, อัอฮพร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงการลงโทษและความวิบัติเนื่องจากการละเมิดขอบเขตสอชี้แจงถึงแนวทางของอัลลอฮ์ในการตรวจสอบพวงเบาว เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่นี้ด้วยความดีและความชั่วความมั่งมีและความยากจนและธรรมชาติของมนุษย์ในการรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของเขา 3. าวันสิ้นโลกความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นการแบ่งแยกมนุษย์ในวันกทยามะเป็นสองพวกคือพวกที่มีความสุขสําราญเบิกบานใจและพวกที่มีความระทมทุกข์หนักใจและชี้แจงถึงทางกลับของชีวิตที่ชั่วช้า และชีวิตที่ดีมีความสงบสุขด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ, ลลอสขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณและด้วยค่ำคืนทั้งสิบและด้วยสิ่งที่เป็นคู่และที่เป็นขี่ แต่ด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันหมุนเวียนในดังกล่าวนั้นเป็นการสาบานสำหรับผู้มีปัญญาไม่ใช่หรือเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้วิบาลของเจ้ากระทําต่อพวกอารอย่างไร <ated>? แห่งอิรอานพวกมีเสาหินสูงกระ่าซึ่งเยื่งนั้นไม่ได้ถูกสร้ า, ตางตามหัวเมืองต่างๆและพวกสมุดผู้ส ก, กัดหินหน้าหุบเขาและฟิรอาวเจ้าแห่งเสาเต็น บรรดาผู้ละเมิดเหล่านั้นอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแล้วก็ความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้นดังนั้นพรพผู้วิบาลของเจ้าจึงกระน่ำการลงโทษแก่พวกเขาแถ้จริงพรพผู้วิบาลของเจ้านั้น ส, ส่วนมนุษย์นั้นเมื่อพระผู้วิบากของเขาส่งทดสอบเขาโดยสรงให้เกียรติเขาและทรงโปรดบานเขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้วิบากของฉันทรงยกย่องฉัน แ, ر ر แต่การเมื่อพระองคทรงทดสอบเขาโดยการครองชีบของเขาเป็นที่คับแคบแก่เขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้วิบาลของฉันทรงเหยียดหยามฉันข้อ ไม่ใช่เช่นนั้นดอกเพราะพวกเจ้าไม่ได้ให้เกียรติแก่เด็กกำพร้าตั้งหากและพวกเจ้าไม่ได้ส่งเสริมกันในการให้อาหารแก่คนขัดสนและพวกเจ้ากินมรดกของเด็กกำพร้าจนหมดเกลี้ยงและพวกเจ้ารักสมบัติกันอย่างมากมาย ขลล้ า, ด า, ด า, ม, ามิได้เมื่อเป็นดินถูกทำให้สันสะเทือนทลายลงและพระผู้บานของเจ้าสเสด็จมาพร้อมทั้งมาเลกาเป็นของเถ้าวว่าจีออยุมอิดิ และในวันนั้นนรกยานนำจะถูกนำมาให้ปรากฏในวันนั้นมนุษย์จะรำลึกขึ้นมาได้แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไว เขาจะกล่าวว่าโอ้ฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉันก็จะดี<ภ><ย>และวในวันนั้นไม่มีผู้ใดจะลงโทษเช่นาการลงโทษของพรงและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดเช่นาการผูกมัดของโพรง<ภ><ย> โอ้ชีวิตที่มั่นคงเอ๋ยอ จ, ي ى บบจงกลับมายัางภาพผู้พิบาลของเจ้าด้วยความยินดีและปิติเถิดแล้วเจ้าจงเข้ามาอยู่ในหมู่ปวงบ่าวของข้าเถิดแล้วเจ้าจงเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถิด